เรารได้สวดบทพิเศษนะนะทีรักนาทิคาธานะทางแห่งพระนิพานพุทนธะเจ้าท่านตัดไ้ชัดเจนนะผนะนะ่านที่เราเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะ นี่คือทางที่นำไปสู่พันิพานเห็นบ้างไหมความไม่เที่ยงน ะ, ะความไม่เที่ยงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่นอนน ะ, ะโดยเฉพาะจิตใจนะ่ะก็แสดงความไม่เที่ยงบ่อยมากนะชัดเจนมากน ะ, ะแสดงความบังคับไม่ได้นะ ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นมันเป็นไปของเขาเองจิตใจก็แสดงความเป็อนอนัตตาชัดเจนนะเห็นไหมบังครับนะไม่อยากคิดก็ก็มันก็คิดนะไม่อยากฟุ้งมันก็ฟุ้งนะบวชจะคิดไม่ออกก็มีนะใช่ไหมตอนทำงาน ว่าจะจําไม่ได้นะ่ะก็จําไม่ได้นะ่ะวดาจแว บ, บขึ้นมาก็มีนะนี่คือความเป็นอนัตตานะหรือในร่างกายนี้เนะี่ยก็เห็นความเป็นทุกข์ชัดเจนนะอืแต่เฉพาะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอ้มันก็จะรู้สึกถึงความเป็นทุกข์นะ่ะของรูปนะ่ะชัดขึ้น ที่จริงก็ทั้งรูปทั้งนามแหละนะมาแสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนั้นตัวสติจริงๆก็นําไปสู่การให้เห็นไตรลักษณ์ตัว น, นี้แหละนะอืเรารู้รูปเรารู้นามเพื่อเนี่ยแหละเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเนะ่ยความเป็นจริงของรูปนามมันมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณนะ์ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่ยอมรับนะ่ะความเป็นไตรักษ์ของรูปนามเนี่ยแหละนะ่ะมันเป็นเหตุทาให้จิตใจมันเป็นทุกขนะ์ใช่ไหมถ้าเราเนะี่ยปฏิบัติเพื่อหวังจะมีความสุขเนะีนะ่ยนอะมันก็ตรงข้ามกับนะ่ะใจรักที่บอกมันคือมันเป็นทุกข์เนาะแต่ก็มันเะป็นทุกข์แต่ถ้าเห็น ความเป็นทุกข์นะมันก็เป็นสุขแต่ไม่ใช่สุขแบบเราอยากจะได้นะเป็นสุขจากการที่เราจากการที่เห็นมันก็มีความสุขนะปฏิบัติไม่ใช่ไม่มีความสุขเลยแต่มันเป็นความสุขจากการที่เข้าใจเข้าใจความจริงแล้วก็มันก็เป็นแบบนี้ของมันเนาะมันก็เลยไม่ไปทุกข์กับมันมันมีมันเห็นความทุกข์นะแต่ ไม่ได้เข้าเป็นทุกข์ด้วยอันนั่นแหละคือความสุขความสุขจากการเข้าใจความสุขจากการยอมรับนะความสุขมันก็เลยเกิดจากการที่จิตมันปล่อยวางนะหรือความสุขจากการที่ที่จริงเราก็สัมผัสได้บ้างนะความสุขจากการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับตัวเองทีละขณะนะแบบเนี้ย มันก็เป็นความสุขที่ที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกนะบางทีความสุขในชีวิตของคนทั่วไปคือบางทีเราเป็นความสุขที่อาศัยจากเหตุปัจจัยข้างนอกอนะได้ความสุขจากการได้สิ่งต่างๆเนาะได้วัตถุต่างๆได้เสพสิ่งต่างๆอันนั้นความสุขนะ อ่าที่มันหยาบหยานะแต่ความสุขจากการที่เราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันนะทำความเข้าใจชีวิตจริงๆเนะี่ยมันก็เป็นความสุขในในแง่ที่เราก็พบว่าเออมันก็สามารถที่จะสุขแล้วก็สงบได้นะแต่มันเป็นความสุขคนละแบบจากการเสพนะอ่ามันก็มีใช่ไหม มันก็มีา ก, การเดินนะถ้าเราสามารถที่จะเดินด้วยความรู้สึกตัวได้นะมันก็การแค่เดินเฉยๆเนะี่ยมันก็เป็นความสงบได้นะการแค่เดินเฉยๆยกมือเฉยๆนะเราก็สามารถอยู่ของตัวเองได้อย่างอย่างสงบนะไม่ใช่อยากสงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบ แต่ไม่ได้อยากจะสงบนะแต่แค่อยู่นะแค่อยู่ในสิ่งที่ทำด้วยความพอใจนะมันก็มีความสุขมีความสงบที่มันมันไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของข้างนอกนะนยิ่งถ้าใครทำสมาธิได้นะก็จะก็จะมีเครื่องมือที่จะบางครั้งจิตใจเหนื่อยล้ามาก บางครั้งร่างกายก็เหนื่อยมากนะทําสมาธิเพื่อพักผ่อนนิดนึงนะนะจิตใจตั้งมั่นอยู่กับอะไรสักอย่างนึ่งนะนะจิตใจก็ได้พักนะ จ, จ, จิตใจก็ได้สงบนะเหมอนเราเมื่อสักครู่นะถ้าใครพอจะทําสมาธิได้บ้างนะแค่นั่งก่อนแผ่เมตตานิดนึงเนะี่ยจิตใจได้พักไหม อมันพักนะอืจากการนั่งอยู่กับลมหายใจนั่งอยู่กับการรู้ตัวในการนั่งเลยนะนั่งอยู่กับปัจจุบันเจิตก็ได้พักแล้วนะอืมแต่ก็สมาการทําสมาธิคือมันพีมันทําให้มันเราได้พักนะแต่ถ้าทํามากเกินไปมันเหมือนพักมากไปมันก็จะขี้เกียจมันก็ไม่ได้เกิด การงานนะเหมือนชีวิตของเรานะีนะถ้าเรามีแต่วันหยุดนะไปพักผ่อนไปเที่ยวนะ เ, เราไม่ได้ทํางานนะเราก็ไม่ได้ทําก็จะเรียกว่าไม่ได้มีปัจจัยเพื่อเอามาใช้สอยในชีวิตของเรานะมีแต่เที่ยวมีแต่พักมีแต่นอนเหมือนนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร นันสมาธิบางคนถ้าเหนื่อยล้ามากก็ทำเพื่อพักแต่ที่จริงเวลาเราฝึกสติจริงๆนะบางทีก็บางทีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นสมาธิแต่พอทำไปถึงจุดหนึ่งเองมันก็มันก็มีสมาธิของมันนะสมาธิมันมากขึ้นอย่างถ้าเราเดินเรายกมือไปเรื่อยๆบางทีมันถึงจุดหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วมันได้อารมณ์ในการปฏิบัติมันก็ มันก็รู้สึกว่าการยกมือการเดินมันมันเบาเมันไม่หนักเหมือนเดิมความง่วงก็หายไปความฟุ้งซ่านก็น้อยลงนะจิตก็มีความตั้งมั่นมีความสงบนะแต่ก็มีตัวรู้อยู่นะไม่ใช่ไปจมในความสงบนะมีความรู้สึกตัวอยู่แต่มันก็เดินแบบสบายๆนะ มีความเบาในการเดินมีความเบาในการยกมือนะแบบนี้บางทีก็จะทําให้เราทําได้นานขึ้นนะทําได้นานขึ้นทําได้เรื่อยขึ้นไม่ค่อยมันก็จะไม่เกิดความอยากไปทําอย่างอื่นบานะงทีสมาธิมากเนี่ยแม้แต่ไปทานข้าวไปทานน้ําปลาหน้าอะไรเนะี่ยก็ไม่อยากไปนะอยากอยู่คนเดียวอยากปฏิบัติ ต่อเนื่องอ่าบางทีแม้แต่ตอนคืนก็ยังไม่อยากนอนนะทาไปจนดึกจนดื่นตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทําต่อนะมันก็เป็นความสุขเป็นความสงบอีกแบบหนึ่งที่เออแค่อยู่กับการอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆก็มีความสุขมีความสงบได้นะแต่ก็ไม่ใหม่นะบางทีมันก็จะติดนะ ถ้าคนเคยเคยได้สัมผัสแล้วอะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าครั้งที่สองต่อไปอะมันถึงว่าพอได้สัมผัสกับสภาวะนี้แล้วนะพอมันเสื่อมไปนิดนึงเนะี่ยวันต้องขึ้นปฏิบัติบางทีก็จะอยากให้ได้แบบนั้นอีกที่เราเคยทําแล้วมันเบาๆแบบนี้เนาะทําแล้วมันสบายแบบนี้อืมมันก็มีความคาดหวังที่ว่าวันนี้อยากจะได้แบบนั้นอีกนะ มันก็เลยกลายเป็นปฏิบัติแบบไปหาไปหาของเดิมเอ อ, เ อ, อทำยังไงถึงจะได้แบบแบบเดิมมันดีนะทำยังไงออทำยังไงมันถึงจะ เ, ออเป็นแบบนั้นอีก อ, อ, อันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะเมื่อจิตมันจะไปแสวงหาแบบนี้นมันจะไม่ได้เลยแต่จริงถ้าสังเกตจริงๆนะ ทำไปเรื่อยๆไม่ได้อยากจะได้นะมันได้ของมันเองนะแต่ถ้าเมื่อไหร่อยากจะได้น่ะมันจะไม่ได้นั้นปฏิบัติถ้าเราอยากจะได้ความสุขความสงบความสบายเนี่ยมันจะไม่ได้นะต้องทำแบบเหมือนไม่ได้ทำแบบเรื่อยๆทาเล่นเร่นนะทำไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรเนี่ยมันก็จะเกิดของมันเองมันเป็น อาจจะเกิดเป็นเหมือนเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับการปฏิบัติให้มันมีช่วงสบายบ้างนะไม่ใช่ต้องทนทุกทรมารกับความง่วงไม่ต้องสู้กับความฟุ้งตลอดเวลาขนาดนั้นมันก็มีช่วงได้พักนะจิตเขาก็ได้พักกับกำลังสมาธิมากขึ้นหน่อยแต่เราก็เน้นการมีสติการรู้ตัวไม่เข้าไปจมบางทีถ้า สติมันอ่อนลงนะสมาธิมันมากอะ่ะบางทีมันมันก็จะกลายเป็นไปติดในความเบาอ่ามันเพลินเกินไปนะมันบางทีก็ทําเพลินๆ น, นะบางทียกมือเองบางทีก็อ่อนช้อยเกินไปนะบางทีมันเพลินมันไปอยู่ในการเคลื่อนไหวมากไปอยู่ในความสงบมากไปน่อะไรเนี้ยก็ต้องระวัง หรือบางทีมันก็บางทีก็เพลินในการรู้นะพอเพลินในการรู้บางทีก็ยกมือเร็วไปนะยกแบบเก็บตัวรู้เก็บตัวรู้เก็บตัวรู้รแบบแบบเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆนะบางทีมันก็เพลินในการที่รู้ก็มีนะอันนี้พูดถึงบางทีนะีปฏิบัติธรรมนะก็แม้มันความเป็นทุกข์มันก็มีอยู่ แต่ถ้าจิตมันปฏิบัติมีสติมีสมาธิได้จุดหนึ่งมันก็ทำให้เออมันไม่ทุกมากนะมันมีความสุขมีความสงบในการปฏิบัติบ้บางแต่ไม่ใช่เราปรารถนาอยากให้มันสุขนะตลอดเวลามันจะไม่ได้นะเพราะบางคนเนี่ยปฏิบัติหวังความสุขหวังความสงบนะนะแต่จริงเราปฏิบัติเพื่อเรารู้สึกตัวนะ แต่รู้สึกตัวแล้วมันจะสุขสงบหรือเปล่านะมันก็สงบแบบรู้สึกตัวนะไม่ใช่สงบแบบว่างเปล่าไม่ใช่สงบแบบนิ่งเงียบนะแต่เป็นความสงบแบบตั้งมั่นจิตใจมั่นคงจิตใจตั้งมั่นรู้ตัวเป็นการสงบจากความปรุงแต่ง ของความคิดนี่ยเน่พอเรารู้ทันความปรุงแต่งรู้ทันความคิดนะเราไม่ไปกับความคิดคิดก็สักแต่ว่าคิดก็เรื่องของมันนะไม่เข้าไปวุ่นวายไม่เข้าไปหลมตามเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่สภาวะที่รู้ที่ดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเชยเน่มันก็จะแบบเหมือนคน เหมือนคล้ายๆเรานั่งอยู่บนนั่งอยู่ในบ้านนะสมมตินั่งอยู่ในบ้านแล้วเราก็อาจจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเนะเรานั่งอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เรื่องของเขานะเหมือนคนแก่นะนั่งชอบนั่งดูคนนะอืมก็ดูเฉยๆดูไปเรื่อยอนะ่ะเขาผ่านมาผ่านไปก็ เรื่องของเขานะเราก็อยู่กับการแค่ดูเฉยๆนะแต่ถ้าจิตไม่มีสตินะมันก็จะไหลไปกับเขาเพลินอะไรชอบดูก็ดูอะไรที่ผ่านมาไม่ชอบก็ไม่อยากให้มันผ่านอะีรนะแต่ถ้าจิตแค่ดูเฉยๆอะไรผ่านมาผ่านไปนะจิตมันตั้งมั่นนะไม่วันไวัยไปกับไม่ไปกับความหลงนะ มันก็ความหลงก็แสดงความไม่เที่ยงนั่นแหละอะ่มันจะคิดก็คิดของมันเองนะมันจะเอะ่มันจะเป็นอะไรก็เป็นของมันเองนะเราเลือกไม่ได้นะใช่ไหมนาทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรนะก็ไม่รู้ <c oughs> อ่จะฟังแต่จะมาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจจะหูดับไปก็ได้นะอืม ใจลอยไปเรื่องอื่นก็ไม่รู้นะมันก็เป็นความไม่เที่ยงนะอืมไม่ใช่ไปว่าผิดนะออ oh. ก็มันเป็นของมันเองเนาะเราก็แค่รู้ตัวใหม่เออหูมันดับก็รู้ไปใจมันลอยก็รู้ไปมันเพ่งเกินไปก็รู้ไปนะก็ดูแบบดูแบบยิ้มยิ้มเห็นความไม่เที่ยงเออมันก็เป็นทาง แห่งนิพพานนะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นะเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ก็ถูกแล้วนะเราจะไป บ, บังคับมันทำไมนะยิ่งบังคับยิ่งเครียดยิ่งบังคับยิ่งทุกข์ก็มันแสดงความเป็นอนัตตาให้เห็นนะั่นแหละก็ถูกแล้วนี่แหละก็ดูมันะนะเนี่ยที่จริงใจรักเขาแสดงตลอดเวลา ปัญหาจริงๆคือใจนั่นแหละไม่ยอมครับใจมันบางทีใจที่มีกิเลสอ่ะมันไม่ชอบเนาะมมันอยากควบคุมได้มันอยากบังคับได้มันอยากให้มันเที่ยงน่ะมันอยากให้มันสุขตลอดเวลาเนี่ยจิตอ่ะสติเห็นใจรักบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนทั้งให้จิตเองนี่แหละมันเข็ดจากการที่ ไปหลงทำนะจิตมันไปมันเข็ด จ, จากการที่หลงไปทํานะเพราะทําเมื่อไหร่เนี่ยมนถึงว่าพยายามทําจิตให้เที่ยงนะพยายามบังคับความคิดนะควบคุมความคิดพยายามนะทำให้มันสุขตลอดเวลาเนะี่ยคือหลงไปทําแบบเนีน้แล้วถ้ามันเห็นว่ามันทําแบบเนี้ยมันเป็นทุกข์นะทุกข์นะขนาที่ทำํำนะ ทุกในการที่ต้องพยายามรักษาไว้แบบนี้นะอันนี้มันเป็นทุกมันถึงจะวางนะวางโอ้มันมันมันเข้าไปทำนะเข้าไปปรุงแต่งนะมันมีความอยากนะที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จิตมันเป็นทุกข์นี่หว่ามันก็วางได้ได้มากขึ้นอันนี้คือมันก็เป็นตัวสติที่ ทำให้เราได้เห็นเนาะแล้วก็เตือนตัวเองนะนยะพยายามดูตรงนี้เลยนะเอออย่าไปคือมีสติรู้รู้รูป ร, รู้นามนะ <S <S <ๆ>เพื่อให้เขาได้เห็นตัวนี้นะอไม่ใช่รู้แบบก็การรู้การเคลื่อนไหวก็ดีนะคือนําไปสู่ให้เห็นเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือความไม่เที่ยงของรูป หรือแม้แต่ใจที่มันไหวใจที่มันคิดเนะี่ยก็คือความไม่เที่ยงของนามความเป็นอนัตตาของนามเนะี่ยคือรู้ให้รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นธาตุแท้ของมันนะอ่ะเออการรู้รูป ร, รูนามเหมือนเป็นเปลือกข้างนอกนะรูปเนะี่ยร่างกายเนะี่ยเป็นเปลือกข้างนอกนะจิตใจเองนะมันก็มีนี่นแหละธาตุแท้ที่มันแสดงให้ให้เห็นอนะอื เราเกิดความเข้าใจตรงนั้นนะเราก็จะอยู่กับโลกได้นะอยู่กับความไม่เที่ยงเข้าใจความไม่เที่ยงของของตัวเองนะขเข้าใจความไม่เที่ยงของคนอื่นเหมือนกันแหละวันนี้เขารับปากเรานะพรุ่งนี้เขาก็เปลี่ยนใจก็ก็มันก็ไม่เที่ยงนะเราจะให้เอาแน่นอนทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นสมมติน ะ, ะสมมตินะ ข้างนอกมันเป็นสมมุติอย่างไรนะแต่บางทีเราก็ต้องใช้สมมุตินั่นแหละนะแต่บางทีเราก็เข้าใจว่าสมมติมันก็คือสมมุตินะเราจะไปเอาสมมุติแบบให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อ็ขาเขียนเวลาบางทีท่านก็จะเทศสอนนะมัแบบบางทีบอกเวลาปฏิบัติธรรมเวลาเกิดอะไรขึ้นกนะ็แล้วแต่นะ ดูดีๆนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่าอะไรไปเอาไปเอาแบบเอาแนวเหตุผลเนาะเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีนะรวมทั้งเอาชอบเอาไม่ชอบด้วยเนี่ยจิตมันเป็นทุกข์มากเลยอ่าแต่ท่านบอกแค่ประมาณว่าอย่าเอานะอย่าเอาเหตุเอาผลอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าเอาดีเอาไม่ดี อย่าเอาชอบเอาไม่ชอบเพราะอะไรพอปฏิบัติอบางทีถ้าเราถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตเราถ้าเราคิดแต่อืมมันไม่สมเหตุสมผลนะมันไม่ถูกมันไม่ควรมันผิดอะไรนะเออเขาผิดชั้นถูกนะมันก็ใช่นะสมมุติมันก็อาจจะใช่แต่บางทีเหตุผลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอืม ถูกผิดของแต่ละคนก็เหมือนไม่เหมือนกันนะควรไม่ควรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะหรือแม้แต่บางทีเขาผิดจริงๆก็แต่เราไปหลงเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เขาทําผิดเนะี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองใช่ไห ม, มนั้นปฏิบัติธรรมบางทีเนะี่ยแม้ถูกผิดเหตุผลดีไม่ดีเนะี่ยก็ไม่ให้ไปยึดมันนะคือ ไม่ได้ไปยึดเพื่อเป็นทุกข์แต่ใช้นะอยู่กับโรค ก, ก็ใช้นะใช้ให้มันถูกนั่นแหละแต่ให้รู้ทันเวลาจิตมันไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์เนาะบางทีเราจะไม่รู้เราติดดีขนาดนี้แ ล, ล้วติดดีจนเป็นทุกข์ติดถูกจนเป็นทุกข์บางทีก็ติดเหตุผลจนก็เป็นทุกข์นะอภาวนาจริงคือเนี่ย มันเป็นการเหนือเหนือดีเหนือไม่ดีเหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลนะหลองพ่อชาก็มีคําหนังสือนั่นแหละนอกเหตุเหนือผลนะคือแบบปฏิบัติจริงมันเป็นการเหนือไม่ใช่คือพวกนั้นก็ถูกแบบสมมตินะก็ดีแบบสมมติเหตุผลแบบสมมติเราก็ใช้แต่การไม่ติดคือเหมือนรู้เท่าทันนะไม่เป็นทุกข์ ถ้ามันไม่มีเหตุผลก็ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะอย่าเอาง่ายๆนะอย่างความคิดนะบางทีก็บางทีก็มีสาระบางทีก็ไม่มีสาระนะเอาแน่ไม่ได้นะนสิ่งที่ชอบก็เหมือนกันนะบางทีก็ชอบด้วยเหตุผลบางทีก็ชอบแค่เป็นอารมณ์นะเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม ม, มันเนี่ยก็ดูมัน เราไปยึดมันเนี่ยก็เป็นทุกข์กันนะแตถ่ถ้าเรารู้ทันตัวเองอ่ะมันจะทำให้เราเห็นว่าอ๋อติดดีเป็นแบบไหนติดถูกเป็นแบบไหนอ่ติดต้องมันเป็นทุกข์อ่ะอ่ายังอยากติดอยู่หรือเปล่านะเนี่ยปฏิบัติธรรมมันต้องละตัเนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะ คือก็พยายามที่จะจะละเรื่องอื่นๆไปแต่บางทีมันมาติดเรื่องที่มันติดดีติดถูกนะ่ะติดเหตุผลนะมันก็เป็นทุกข์ได้นั้นการภาวนาจริงก็คือทําให้เราได้เห็นตรงนี้ว่าอ๋อเหตุที่ทําให้มันเป็นทุกขนะ์เนี่ยเพราะเราติดอะไรเนาะติดอะไรในแต่ละขณะแต่ละขณะถอนความพอใจความไม่พอใจนะ่ะ ความพอใจในเหตุผลก็เป็นความพอใจความพอใจในความถูกความพอใจในความดีนะถอนออกมาถอนอะไรถอนใจให้เป็นผู้ดูนะผู้ดูเห็นว่ามันชอบอันนี้มันไม่ชอบอันนี้มันติดอันนี้นะมันยึดอันนี้ถอนให้เป็นผู้ดูมันนะมีสติ ถอนออกมาเป็นผู้ดูมันถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปคุกไปจมกับมันนะแล้วก็บอกอืมมันจะไม่รู้หรอกนะมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าปลามันอยู่ในน้ําอ่ะมันไม่เห็นน้ํำนะไส้เดือนอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในในท่ามกลางกระแสของน้นะําเนาะแต่อย่างที่ว่าถ้ามีสติมันเหมือนเรา ยกจิตขึ้นมาเป็นผู้ดูมันนะคล้ายๆเหมือนเราอยู่บนตึกแล้วมองลงไปข้างล่างนะมองรถที่เขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราอยู่บนตึกเนะี่ยรถวิ่งไปวิ่งมาก็เรื่องของรถนะจะวิ่งปาดซ้ายปาดขวาก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตรงกลางถนนไม่ได้อันตรายนะแต่บางทีเราก็ไม่ไมองเฉยๆบางทีเราก็มองไปวิจารณ์เราก็มองไปชอบเราก็ไหลไปตามนะก็ไม่ใช่ จิตก็ไม่ตั้งมั่นแต่ถ้ามองเฉยๆเนี่ยก็เห็นอยู่นะเห็นนะถูกผิดก็เห็นดีไม่ดีก็เห็นสวยไม่สวยก็เห็นแต่ก็สักแต่ว่าเห็นนะเมื่อไรที่หลงไปยึดไปปรุงแต่งก็รู้ทันตัวเองรู้ทันตัวเองเนี่ยะจิตก็เรียกว่ากลับมามีสติแล้วจิตก็ไม่ปรุงแต่งแล้วนะเนี่ยแหละมันก็เป็น ทุกขณะที่เราถ้าเรารู้สึกตัวได้เนาะจิตก็เกิดความตั้งมั่นนะจิตก็พบกับความสงบนะสงบจากการว่างจากความคิดนะเนะี่ยปฏิบัติมันก็เป็นการสอนตัวเองแบบนี้นะให้จิตมันเห็นจริงๆว่าสิ่งที่มันยึดมันเป็นทุกข์อย่างไรนะ ความเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะเราทำเองอย่างไรนะนะคนอื่นเองก็แค่ทำข้างนอกทำเหตุปัจจัยข้างนอกแต่ความที่เราไม่ชอบใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเราไปปรุงแต่งนะเรายึดไว้นะี่มันเป็นมันเป็นทุกข์อย่างไรนะมีสตินะถอนถอนให้เป็นผู้ดูออกมาให้ได้ เมื่อไรถ้ามันถอไม่ไหวดูไม่ดูอารมณ์ไม่ไหวนะนะออกมาดูกายออกมารู้สึกตัวใหม่กลับมารีเซตใหม่นะรีเซตจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับการกระทานะด้วยความรู้ตัวนะไม่ได้เข้าไปอยู่ในกายเหมือนกันนะมันออกมามตั้งดักใหม่นะรู้สึกตัวใหม่นะเริ่มต้นใหม่ นะบ่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าที่จริงชีวิตจริงๆเนะี่ยมันมีแต่ความใหม่จริงๆเลยนะปัจจุบันจริงมันใหม่การรู้สึกตัวจริงๆมันก็ใหม่นะใหม่สดนะแล้วก็ตื่นได้นะรู้สึกตัวอย่างมันเป็นความสดเป็นความใหม่เป็นความตื่นถ้าเปรียบเหมือนกับอาหารนโยม อ, อาหารเพิ่งออกมาจากเตาเนะี่ย มันร้อนนะมันหอมนะรสชาติมันดีนะรู้สึกตัวมันมนเหมือนอาหารที่มันสดสดใหม่ๆมันมันมีความสดชื่นเบิกบานเนะี่ยในขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่แล้วก็อย่าทำแบบซึมๆนะอย่าทำแบบพยายามกล่อมตัวเองนะให้ซึมให้เบอร์นะ นะพยายามปลุกนะปลุกให้มันเกิดการรู้ตื่นเบิกบานนะขณะที่ภาวนานะรู้ตื่นเบิกบานนะแต่อารมณ์มันจะเป็นแบบไหนก็เรื่องของมันมันเป็นเพียงแค่อาการที่เขาแสดงให้รู้นะเป็นอาการที่แสดงให้เราได้เห็นนะแต่สติเนี่ยทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่ดู มันก็พอเห็นนะมันก็ตื่นออกมาจากความคิดได้ตื่นออกมาจากอารมณ์ได้นะตื่นออกมาแล้วจิตก็เบิกบานแต่ก็อย่าไปติดความเบิกบานอย่าไปติดความาปิติอะไรต่างๆก็รู้แต่ไม่ต้องไปทำลายมันนะคือเพียงแค่ไม่ติดนะไม่ใช่แปว่าเราต้องไปทำลายให้มันให้มันไม่สุข ไปทำลายให้มันไม่มีสมาธิอะไรต่างๆก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่ไม่ติดมันนะแล้วนะก็ฝากไว้นะ